วันนี้มั้งวันเราลองใช้สติในการเคลืนไหวจะทำอะไรก็แล้วแต่เราแค่รู้สึกคาว่ารู้สึกตัวคือเราแค่รู้สึกว่าตัวก็คือร่างกายมันมีอยู่คำว่ารู้สึกตัวบางทีเราลืงตัวก็คือเราไม่รู้สึกว่าร่างกายมันมีอยู่ในโรอบนี้ เพรส่วนใหญ่ใจเราไปอยู่กับความคิดใจอยู่ความคิดอดีตบ้างคิดอ น, นาคตบ้านหรือไปจมอยู่กับอารมณ์ในปัจจุ บ, นบันบ้างเพราะรู้สึกตัวนนตืว่นการตั้งรู้ตัวพ่ารางกายประทังทำอะไรอยู่เป็นนั่งก็รู้ตัวว่านั่งเดินก็แค่รู้ตัวว่าเดินนะเอย่างเดินนะ อย่าไปเอาใจไปอยู่ที่เท้าอย่าไปจ้องเอย่าไปบังคับเดินให้สบายๆเพียงแค่รู้สึกว่ากำลังเดินนั่งก็แค่รู้สึกว่ากำลังนั่งแต่บางทีเราไม่น่าเฉยๆแต่ก็นั่งเคลื่อนไหวมือสิบสี่ท่าแต่ก็ไม่ต้องเอาใจมาจดจ้องหรือว่าเอาใจไปอยู่กับมือ แค่รู้สึกตัวมรวมรู้สึกว่ากำลังนั่งแล้วก็มีการเคลื่อนไหวมีความชัดที่การเคลื่อนไหวแต่เราไม่ต้องไปจุดจ้ออยู่ที่ที่มือที่แขนการรู้สึกเตือนจะรู้แบบรวมรวมแต่ก็ไม่ใช่เป็นจ้องรวมรวมนะรู้แบบสบายสบายสบายสบายยืนเดินนั่งนอนคู่เยียเคลื่อนไหวข้อแค้รู้สึกว่า ร่างกายกำลังทำอะไรหรือบางครั้งมันก็มีความรู้สึกแฝงเข้ามในจิตใจบางทีทําไปแล้วมันสริมความสุดทําแล้วเสริมความทุกข์ทำไปแล้วมันร้่งสร้างทําแล้วมสมอมีความรู้สึกขึ้นในใจแล้วก็แค่รู้รู้แล้วมันก็ไปให้ค่ารู้แล้วก็กลับมารู้สึกกับการการเคลื่อนไห แต่บางครั้งอาจจะคิดอีกรู้สึกอีกก็ไม่เป็นไรก็รู้สึกหม่นั่นคือความรู้สึกตัวก็คือรู้สึกกายว่างหรือรู้สึกถึงความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในใจบ่างแต่ทุกอย่างนะไม่ว่าตาหรือใจคือรู้สึกในปัจจุบันขนาดไม่ต้องไปเอาไม่ต้องไปย้อนคิดย้อนการรู้สึกความรู้สึกเอง อดีตนี้รวมถึงแม้แต่เที่ยววินาทีที่ผ่านมาอะไม่ใช่อดีตคือเมื่อชั่วโมงที่แล้ววันที่แล้วตอนนั้นแต่เพียงแค่เที่ยววินาทีที่มันที่มันดึงไปไม่แค่ไม่ต้องแมีข้อเหตุผมว่าทำไมมันถึงดึงจะต้องไปย้อนแล้วก็ที่บางทีมันบางทีเราทาอะไรอยู่ไม่จําเป็นเรากลับมารู้สึกใหม่บางทีเราก็รู้สึกบางทีเราก็มีการสร้าง การเดินกลับไปกลับมาการยกมือนะต้านจังหวะกลับไปกลับมาหรือบางทีความรู้สึกตัวก็เป็นความรู้สึกที่มันมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติอย่างเรานั่งใต้พัดลมลมพัดนะมนแค่สัมผัสมัลมที่พัดนะอันนี้ก็คือความรู้สึกตัวนะสัมผัสกป็นลมที่พัดเพราะว่าร่างกายมันรู้สึกได้ถึงนลมที่พัด บางทีเราพักแล้วมันรู้สึกพอใจนะมันสบายใจมันสบายใจมันพอใจมันก็เกิดความรู้สึกในใจแต่รู้ึกตัวว่าเกิดใจนะ้นมันกำลังสบายนะหรือบางทีไปเดินแต่มันร้อนร่างกายจะผัสนความร้อนมันก็รู้สึกตัวได้นะมันจะร้อนถ้าใจเกิดความไม่ชอบะมันก็รู้สึกได้ว่าไม่ชอบก็ใช่มันก็เกิดน้ นั้นคอารู้สึกส่วนบางทีก็เป็นการที่เอตาต้างนสร้างขึ้นะา ม, มาในเรียบวกหรือบางทีมันก็เป็นอีเรียบวกย่อยที่ที่มันแทรกเข้ามานะลมกระทบบ้านกระทิบตาบ้าง <c oughs> หรือแม้แต่เราย่อมอะไรนีบางทีก็รู้สึกบางขณะก็รู้สึกถึงลมหายใจบ้างอันนี้มันจะแทรกเข้ามาไม่เป็นไร น, นะ <c oughs> แต่เราก็ มันแทกแล้วก็สลับรู้ทียาวสลับสลับไปสลกันมานีและถึงแทกที่บอกรู้สึกในกิจใจว่าเขาเมันไปนี่ทําท้มันต่อเนื่องนะเรื่ยเรื่อยแต่ก็ให้ทําแบบสบายสบายนาะภาษาพระมนมีคำเขาเรียกว่าตับสายะตับไฟยะก็คือมันมันสบายมันสุบ อากาศสัพะยะ่าคือนะอากาศที่มาสบายไม่ร้อนไม่หนาวเกินไนปอาหารการกินสัพย่ะมันถูกกับธาตุของเราผู้บาอาจารย์สัพยะนะ่าให้สอนเราเกิดความเข้าใจงนะ่ายถามก็ได้นะนนน <S 2> <S 2> <S ประมาณธรรมสัพย่ะมันเป็นทางที่ไม่ยากเกินไปไม่ง่ายเกินไปน มันอยู่มนวิสัยที่เาสามารถพัฒนาได้ไอ้คนเนี้ยคือสัตวาย์คือความสบายคือความกตดีนะอันนี้คือส่วนประกอบเดิมแต่เราเองต้องทำตัวเองให้กับป่าย์เลยนะทำใจให้สบายสบายทำร่างกายให้สบายสบายแต่ท่าไหนก็แล้วแต่นะเราสังเกต อาศัยความสบายอาศัยความผอนคลายอาศัยการปรับเกียร์มันไม่มาจะเห็นนะมันไม่ไสบายตลอดนะนั่งแต่นเนี้ยก็ไม่สบายตลอดเราพักเนึ่ยก็ไม่สบายแล้วก็ปรับเปกี่ยรชนะย่ีย่ีไม่มีอะไรสบายตลอดแต่อศัยว่าเราปรับเปนะลี่ยร์นะแต่ถ้าเราไม่รู้ตัวนะบางทีเร า, เาก็จะทนอยู่ในภาพที่มันไม่สบายางานก็เป็นความปวดเมื่อย คางทีเราต้องดูตัวเองเดินจำลงบาทีอปวดไหล่ปวดแขนเขาเปลี่ยนได้นะไม่จำเป็นว่าจะจะต้องจับหรือท่านี้นานๆอาชมาไปก่อนเลยนะบาทีอาไปตั้งกฎตัวเองว่าเราเช่นเราค่อยหลังไว้เนี่ยก็จะต้องเป็นแย่างน้อยเข้าพุ่งขึ้โมงนะควายจะมาตัดต่างกันไว้ข้างหน้าแต่จริงเราทำก็แบบว่าทุกนะ แล้วราก็ฝืนเราคิดว่า ừ, เราตั้งกติกาตัวเองว่าเราต้องทำไม่ได้แต่จริงๆไอ้พวกนั้นมันเป็นมันไม่ใช่เป็นหลักในการปฏิบัติ จ, จริงๆหลอกเราจับท้าไหนพอเราปล่อยมารู้สึกในการปล่อยรู้สึกในการจับใหม่ถ้สริมันก็ต่อเนืน่องไปนะแต่ที่เราจะฝืนตทำตัวเองให้คุกขแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ บางทีเดินแล้วมันเครียดว่าก็ไม่ต้องฝืนเดินแบบเครียดแบบนั้นก็ปล่อยมือบ้างะดูต้นไ ม, ม้นะเดินเน้นๆเหมือนเดินในสวนสาธารณบ้างมันก็จะผ่อยคายขึ้นนั่งร่วกันบางทียกมือสิบสี่ถ้าจะบันซ้ำๆมันรู้สึกไม่สบายทอะไรทำเน้นๆบ้างแบบ น, นี้ก็ได้นะทําเหมือนเหมือนนี้ ไม่จริงจามนะแต่มันก็รู้สึกว่านะตามเร่อนยะอืมบางทีก็เปลี่ยนหายใจเรื่อ่านะรู้สึกแขมนมันมันมันก็เครียดก็หายใจเข้าหายใจออกแต่ก็จะบานคะือมันไม่ได้จำกัดที่่าน ะ, ะเนด็ดปนะากเปลี่ยนได้หมดโดยเราอาศัยยืนยาวเว้นะยืนยาวเว้นยืนนั่งนอนกู้เหยียดตึงไว เทียบเปิดใหญ่บ้างอีทีก่อนย่อยบ้างทำไปสบายๆนะหี่ยคือกันดีแต่ทำที่มีจังออหวดเพื่อนจังหวะตืนเนีะย่าไปทำแบบรเรียนมากให้หรูเทียบทั้งหนักอีกหนูยกหนูวางหนะูเพื่อนยื้อนะนีะพยายามทำให้มันเป๊นค่าอย่างเราเปิด หน้าตามนะันมีหน้าตามันมีบานพับโดยกมันเหมือนเครื่อน เ, อนนเนคื่องมีงเป็นเชื้อสวนที่จริงมันเครื่องคล้ายๆถุงยนต์มันถุงยนต์เวลานอนเครื่องนะมันเป็นเป็นต่าแต่เราตัวไม่ได้แข็งนาดนั้นอ่แต่มันแบบมันพับเป็นทีนะครับไม่ใช่แบบยกชังแข็งชั้งไหลก็ปวดนะทั้งสบายสบายหลังกายมีจังหวะหยุดบ้าง ยเพื <aria. S 2> ่ออะไรก็ื่เกิดการรู้เป็นขณะรู้ขณะนะบางทีเราทําต่อเนื่องมันมันรู้ยาวมันจะเป็นธรรมชามากเกินไปรู้เป็นขณะรู้แล้วก็วางแล้ก็รู้ใหม่รู้ใหม่รู้ใหม่รู้ใหม่ไปเยื่อยที่จริงเราละไว้ก็รู้ต่อนเพื่อนแต่จริงตอนหยุดมันก็รู้ เพื่อนก็ร <No. S 3> uh ู huh. ้หยุดก็รู้เพื่อนก็รู้หยุดก็รู้คิดสข้ามาแท้อีกก็รู้นะไม่เป็นไรวันแต่รู้ตัวไม่ว่าแต่เพื่อนหรืออยู่หรือว่าคิดมัมีค่าเท่ากันนะเถิดไปคิดก็รู้ว่ามเถิดไปคิดก็คือความนึกถึกตัวเหมือนกันไม่ใช่ว่าต้องรู้แต่ปสี่ท่าต้องรู้แต่กางเลยนั่นคือรู้แบบ มีใครสงสัยอนะไรหมแต่ทางก่อนก็นะเปานคนปฏิบัติใหม่เรากใ็ใจหนักเราลองทำก่อนก็ได้เนาะนะลองาวางมันมัตก็เชื่อเ่าพี่ท่าไม่ได้เข้าใจแล้วจะเป็นจริงๆแบบเนาะแต่ก็เอ็ดจับหนักไม่ได้วนะ่า เราทำความรู้สึกตัวนะเดี๋ยวมันก็จะเกิดความเข้าใจมากขึ้นเองบางทีก็มันต้องมีความสงสัยบ้างแต่เราเอาความสงสัยนะั้นะวางไม่ก่อนแล้วพอเราทําไปเรื่อยเราจะเข้าใจนะเข้าใจในสิ่งที่บัณทีตอุบาจันทะร์ไม่ได้พูดแต่เราเข้าใจด้วยตัวเราเองนะเข้าใจกว้างไปกว่านะ กามากว่าที่เราที่ว่ามาันเราจะดูได้นะมันเกิดความเข้าใจจากการที่เราภาวาานาเนะี่ยเข้าใจตัวเราดีเข้าใจคนอื่นเข้าใจธรรมชาติอื่ น, นเป็นหมดเลยนะแต่แต่เข้าใจแล้วก็วางเลยนะไม่ใช่เป็นจิตเป็นติตในความรู้นะเป็นจิตในความเห็นต่างๆรู้แล้วก็วางพัฒนานะแต่ก็ อีกอย่างหนึ่งเนาะที่อยากจะย้ำคือว่าให้เป็นสภาว ะ, ะการเห็นหรือว่าการดูการรู้มันมันจะเป็นสภาวะที่เหมือนมันแยกระหว่างร่างกายที่เคลื่อนไหวก็เป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้นะอยากไปรวมจิตกับตายเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกันแต่เราต้องฝึกแยกแยกกายแยกใจกายเคลื่อนใจรู้ ใจมันเพื่อนผู้มีใจที่มันเพื่อนเนี่ยตัวใจที่มันมันเสื่อนะใจที่เป็นผีเลกแล้วก็มีใจที่มันมีสติเข้าไปดูทีกทีมันจะอันจะเป็นการนะรู้ที่ตามหมายิีมันจะไค่อยแยกเหตันเรณ์ที่จริงไอ้ที่มันมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันเป็เรื่องของตายเนาะไอ้ที่เคลื่อนไปเป็นเรื่องของายเนาะใจมันนิ่ง มันตั้งมั่นในการรู้อยู่หรือรู้จิ้มใจที่มันเือไปอันนั้นก็มันหลงไปเนาะแต่เราก็สามารถ น, านิ่งๆดูมันก็ได้นะที่มันคิดจะเห็นว่าความคิดไม่ใช่เรามันก็เป็นสิ่งแค่อาาัตตาเองลองดูแบบนครับแต่ก็ทําเรื่อยๆนะทำเรื่อยๆเผลอบ้างหลงบ้างนี่นนนคำนึง่านะ เราเดี๋ยวไม่คิดว่ามันจะต้องรู้ตลอดมนะันเสริฟไปแล้วก็รู้ก็กดีทาสบายๆนะแล้วอีกอย่างมันดีบางคนอะไจะเคยฝึกแบบอื่นมาบ้างเนาะเป่นนั่งจับตาหรือทำช้าๆนะลองดูถ้ามันไม่ถึงขั้นคงสร้างมากๆเกินไปนะก็ลองทำแบบเน้นเชิงสติเป็นหลักนะนะเพราะว่า ถ้าเราเน้นเจริญสติเป็นหมันจะเป็นตัวที่ทำเกิดปัญญาได้ได้ได้เร็วขึ้นบางทีถ้าเราทำเช่ช้าเกินไปมันมันไม่ค่อยใกล้เกมกับธรรมชาติาในชีวิตจริงเราไม่ได้เน้นว่าให้สติเออไม่ให้ให้กิเลสมันช้า ว, วิเดียอีเดโวจมันช้าแต่เราเน้นเพอฝึกสติให้เร็วมันต่างกันนะ มันเราเราจะแข่งขันกันอะไรอ่ะเราจะขอให้คู่แข่งของเราเขช้าเขาขอข้อให้กับเราเนะี่ยถ้าเราถึงเจะนะเนี่ยมันมันไม่ได้การยนะที่แท้จริงแต่เราต้องฝึกตัวเองให้เร็วให้เก่งให้คล่องเพราะนั้นกีฬเนนีะ่เราจะทําช้านะใช่ว่ากีฬามันจะช้าแต่กีฬามันเป็นแน่แต่มันเป็นแน่กองความเฉื่อย กับความนิ่งๆพอออกจากเยิ้มไว้นั้นฟุ้งร้านใหญ่เลยเดี๋ยวโฟตรมากขึ้นก็ได้ครับฉะนั้นเราไม่ได้ฝึกให้เยิ้มมันช้าเลยที่เด็กมือช้าที่เด็กมือเบาแต่เราฝึกกติให้มันทันนะให้มันเร็วให้มันคล่องตัวขึ้นแต่ฝุดใหม่ๆก็ต้องยอมรับว่ามันไม่มันไม่ใช่จะรู้ตลอดะมันไม่ใช่จะทตลอดมันอาจจะ มีช่วงที่มันดีเรนะ็วช้าคิดไปซึ่งนาทีแล้วก็รู้ว่ามีคาเรื่องหรือคิดวนตามๆก็มีะก็ช้ำของมันก็ทําได้แค่ช้ามันเพะนั้นเป well. ็นหน้าที <establishing> ่ของทีเร็หน้าที่เราคือตั้งตัวรู้จำไว้นะหน้าที่เราแค่ตั้งตัวรู้ ไม่ต้องมีคำอย่างอื่นแค่สร้างมือเวียเดียวเราทําแค่เนี้นะทําอย่างเดียวแต่มันจะแปรผลไปหลายๆอย่างะเราเราก็ใช้เวลานั่งบ้างเดินบ้างยืนบ้างนะก็ยืนยกมือสร้างสระก็ได้นะยืนแต่ถ้าเดินก็ไม่ต้องมียกมือด้วยนะเดินก็แค่เก็บมือไว้หรือถ้ามันไม่มันสิ้นสุด ก็ปล่อยมือเดินสบายแค่รู้สึกตัวว่ากระดับเจอนี่ก็เราหาเรียบลดเราแต่พยายามถ้าไครบางทีมันต้องรู้ทันบางทีกิเลสมันจะหอกให้เราแบบทำนิดนิดหน่อยแล้วก็เกลียดรักเบื่อฝืนมาสักหน่อยทนมาสักหน่อยให้มันปวดนเหนื่อยเราลอมันทนได้ไม่ถ้าทนได้ก็ทนไปพักพักหนึ่ง มัปวดเมื่อยมากแล้วค่อยๆเปลี่ยนเดินก็เหมือนกันเดินมาปวดเมื่อยลก็อ่านลองเดินต่อสักหน่อยเดี๋ยวนี้มันปวดเมื่อยมากก็ค่อยเปลี่ยนอย่างเงี้ยเนาะอย่บางทีอย่าอย่าไปทําแบบจเบจกเนาะบางทีพอเราปฏิบัติทำบางทีมันฟ uh, ุ also, just, ้งซ่านหรือบางทีม <t iny> ันไม่สงบบางทีมันปวดเมื่อยนิดหน่อยแล้วเราอยากจะเปลี่ยนอ่ะมันไม่สบาย เราจะเปลี่ยนบางทีบางทีเราไม่ต้องเปลี่ยนดีกระดับแต่เรางทีเราเปลี่ยนท้าเปลี่ยนท่าขนาดนั้นเตอนนั่งมันปวดเมื่อยเราก็ยืมตัวให้มันนั่งสบายขึ้นก็ได้เรายกลงขวัญปวดเมื่อยมันเองแล้วก็ปรับเปลี่ยนท่าในการยบก็ได้สายตามันเุ่นวักมันมองถึงเครียดเกินไปก็ต้องมองใหม่บางที มีเทคนิคหนึ่งนั่นคืช่วยได้ทุกสถานการณ์นะอมยิ้มปฏิบัติธรรมแบบอมยิ้งนะองมยิ้มเดินก็อมยิง้งนั่งก็อมยิ้มมันผ่อนคลายขึ้นพอใจเราผนะ่อนคลายะมันก็อย่างอื่นก็ผนะ่อนคลายทางแบบบางทีถ้าเราไม่ต้องเปลี่ยนวิญญาณใหญ่เราแค่ปรับาการคุ้นไหวปรับไปหน้าปรับใจนะ มันก็ช่วยให้การนั่งการเดินล้วก็ทำได้นานขึ้นแต่ถ่านปวดไม่มากนั่งพอสมควรแล้วก็เปลี่ยนก็ได้ไม่เป็นไรเราลองใ้โอกาสนี้กลับักประมาณสิเอ็ดโมงนะไปกลับมาดูอีกทีตอนนี้ก็ตังโมงยี่สิบนั่งบ้างเดินบ้าแบบนี้ถ้าจะนั่งต่อก็นั่งถยา ขาพาไปเดไปเือยรุ่นไปทนี้